ประวัติย่ออาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์พรรัตนสุวรรณเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2461เข้ากรุงเทพมาอยู่วัดมห า, าธาตุยุวราชรังสริตั้งแต่อายุ13ได้ศึกษาบาลีวยากรและแปลธรรมบทจนอายุ17จึงได้บวชเป็นสามเณรและเพียงพรรษาเดียวก็สอบได้ป ร, ริญญาสามประโยค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 และย้ายไปอยู่กับท่านพุทธทาสระยะหนึ่งก่อนจะย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดคืออุตรดิต2์สองปีและย้ายต่อไปที่เชียงใหม่ซึ่งที่นี่เองท่านได้ตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกอักาทธกถายอย่างเดียวถึงสปีเต็มโดยไม่รับกิจนิมนต์ใดๆเลยปีพุทธศักราช2491เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวนาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่ และเทศอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปต่อมาถูกนิมนต์มาอยู่ที่วัดอุโมงค์และได้ตั้งพุทธนิคมเชียงใหม่ส่วนพุทธธรรมและอื่นๆเมื่อย่างอายุ30ปีในปีพุทธศักราช2492ได้ร่วมกับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเทศอบรมนักเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหม่จนได้รับความนิยมอย่างมาก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 และฝึกอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานและต่อมาได้มอบให้เป็นสมบัติของมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้ดำเนินการตรวจชำระคัมภีร์อัทธกถาดีกาซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกและได้ส่งมอบให้กับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยซึ่งตรวจชำระและจัดพิมพ์ได้เสร็จแล้วถึง47คัมภีร์ เป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจในพระธรรมอย่างละเอียดและถูกต้องเปรียบดังได้มอบสมบัติอัล้ำค่าไว้ให้กับพระเนรและพุทธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียวอาจารย์พรรัตนสุวรรณจากโลกนี้ไปทั้งที่มีงานที่ตั้งใจจะทำเพื่อพระศาสนาอีกมากมายวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536สิริอายุได้ เจสิบสีบ่ปี